มันเป็นของใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็รู้สึกลาคาญมากเลยกับขาข้างเนีนะ้นี้แตกต่างจากคนหลายคนนะที่รักสวยรักงามหรือผู้หญิงบางคนเอาเห็นขาขตัวงใหญ่นะเขาก็รู้สึกว่าไม่ชอบขาเนี้ยนะอยากจะจัดการกับขานี้ให้มันสวยแต่ถึงอย่างไรเขายัางรู้สึกนี่เป็นขาของฉันนะเพยียงแต่ไม่ชอบขาข้างนี้หรือขาทั้งสองข้างเพราะมันใหญ่มันเทอะทะเนี่ยมันไม่สวยแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย เขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขารู้สึกกระทั่งว่าเนี่ยมันไม่ใช่ขาของฉันเลยแล้วเขารู้สึกลำคานมากแล้วเขาทํายังไง ร, รู้ไหมเขาบอกขอให้หมอเนี่ยช่วยผ่าตัดขาข้างนี้ออกไปหน่อยหมอก็ไม่ยอมนะเพราะมีที่ไหนนะตัดขาทั้งที่มันไม่ได้ป่วยอะไรเลยเขาเพีงแต่รู้สึกว่าลำคานนะอันนี้ก็แปลกดีนะเออถ้าคนที่เขาเห็นธรรมะนะเขาเห็นธรรมะจนทั่งรู้สึกเลยนะว่าอันนี้ไม่ใช่ขาของฉันนะ นี่ไม่ใช่ตัวของฉันนะร่างกายไม่ใช่ของฉันนะมันเป็นสัต่ว่ารูปที่เกิดจากธาตุทั้งสี่มาประกอบกันนะถึงเวลาธาตุดินน้ำไฟลมนะแตกสลายรูปนี้ก็นะแตกดับไปด้วยอันนี้นะเป็นปัญญานะที่เกิดจากการปฏิบัติจงกระทั่งมันไม่มีความสำคัญมั่นหมายในกายนี้ทอดของฉัน แต่กรณีคนที่เขาเห็นแบบนี้เนี่ยนะซึ่งก็คือพระธิดาเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจนะกับร่างกายนี้นะก็เพียงแต่ว่าไม่ได้หลงไหลแค่นั้นเองแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาพอเขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่ขาของฉันเนี่ยเขาจะรังเกียจนะเขาจะไม่มีความสุขเลยตราบใดที่มันยังอยู่ยติดกับร่างกายของเขานะแล้วเขาก็บอกให้มใหมอไอ้หมอเนี่ยช่วยผ่าสุดท้ายนี่หมอยอมผ่านะตัดขาทิ้งไปเลยเพราะว่า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 ส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่ขาของฉันมันก็ได้แง่คิดนะจากกรณีนี้ว่าไอนนความรู้สึกของฉันของฉันเนี่ยไม่ว่าขาของฉันตัวของฉันเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับสมองด้วยนะสมองนี่มีส่วนนะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยขาของฉันหรือไม่ใช่ขาของฉันนี่แขนของฉันหรือไม่ใช่แขน แขนของฉันตอนในงง่นี้คือว่าไอ้ความส่วตัวจตนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากสมองก็ว่าได้นะถ้วคนที่เขาทําสมาธิไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าเขากับสิ่งรอบตัวเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้อพอพอนักวิทยาศาสตร์ไปสํารวจไปใช้เครื่องสแกนสมองนะแล้วก็พบว่าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงในสมองของคนคนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะแต่ว่า มีการทํางานเปลี่ยนแปลงไปก็คือส่วนที่ไปกําหนดว่านเนี่ยฉันและนี่ไม่ใช่ฉันเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นก็เกิดความรู้สึกว่านเนี่ยไม่มีกําแพงขวางกันระหว่างฉันกับสิ่งภายนอกเลยก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันนี้เกิดจากสมาธินะแล้วก็มีผลต่อการทํางานของสมองบางส่วนที่ทําให้ความความการกําหนดว่านเนี่ยนี่คือร่างกายของฉันเนี่ยมันแผ่ขยายไปจนกระทั่งไม่มีประมาณ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 นะเริ่มสนใจมากขึ้นนะ เ, เรื่องว่าของฉั้นไม่ของชั้นเนี่ยซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องสมองสมาธิก็เรื่องอการทํางานของสมองแล้วมีลายที่แปลกกันนั้นนะซึ่งไม่ใช่มีลายเดียวแต่มีมากกว่านั้นนะมันมีหลายคนจนกระทั่งต้องเรียกว่าเป็นอาการของเป็นอาการของใจอมีชื่อเรียกเลยนะชื่อเรียกตามชื่อของหมอที่ค้นพบอาการนี้นะชื่อโคทาเป็นชาวฝรั่งเศสอาการเป็นยังไงก็คือคิดว่าตัวเองตายแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ย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 แล้วก็แบบหนึ่งซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าประเภทโคทาซินโดมนะก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีบตรมีหลายบุ ค, คลิกนะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีขึ้นทางอินเทอร์นอนเน็ตตอนนี้มีผู้หญิงคนนึงนะชาวอเมริกันเนี่ยหมอเพราบวกก่าแกมีตัวตนหรือบุคลิกเนี่ยประมาณ16บุ ค, คลิกอยู่ในตัวและแต่ละตัวตนหรือแต่ละบุคลิกนี่เนี่ยไม่รู้จักกันนะแล้วก็ต่างเพศต่างวัยแล้วก็ประสบการณ์ต่างกันด้วย แต่ว่าสิบหกนี้ยังยังไ ม, ไม่ใช่มากสุดนะมีมากสุดที่พบก็คือสิบเจ็ดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความทุกข์ทางใจนะอย่างเช่นคนที่มีสิบเจ็ดตัวตนเนี่ยนะชื่อคาเรนเนี่ยเขาเขาถูกทำมิตรมิตรร้ายโดยพ่อตั้งแต่เล็กนะแล้วเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์มากในในสามัญสำนึคเาเนี่ยเขายอมรับไม่ได้ว่าเนี่ยเขาถูกกระทําโดยพ่อบังเกิดเกล้านะมันจบปวดใจมาก แล้วก็มีวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะหลบหนีไม่ยอมรับความทุกขนะ์นั่นคือสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นเด็กแปดขวบเด็กแปดขวบนี้นะนะก็มีเสียงเรียงนามต่างหากไปเลยนะชื่อสตีเซนบ้างนะชื่อบรายอันบ้างมีหลายคนเวลาพ่อมาทำมิลีมิลัยเขาเนี่เขาก็ตัวตนเขาก็เปลี่ยนเลยนะจากคาเรนเป็นสตีเซนไปก็สบายใจเพราะว่า รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ทําอะไรกับผู้ชายอยู่แล้วเวลาจะคุยกับพ่อก็เปลี่ยนตัวตนเหมือนกับแปลงร่างเป็นสตรีเ้นคุยกับพ่อสบายใจชอบนะไม่มีเรื่องค้างคาไม่มีเรื่องทุกร้อนอะไรเลยเพราะถ้าเป็นคารเลนเมื่อไหรเนี่ยมันจะเกิดความกระอักกระอ่วนนะแต่ว่าตลอดเวลานเนี่ยนะคนที่เป็นคาเลนเนี่ยเขาจะจะกดเขาจะปกปิดหรือว่ากดดีกว่านะกดความทรงจําเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่อเอาไว้ถาม นะักจิวิยาถามเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้เลยนะว่าพ่อทำอะไรไม่ดีกับเขาและไม่รู้ว่าตัวเองท้องด้วยทั้งที่ตัวเองมีลูกแล้วสองคนยังคิดว่าตัวเองนี่เป็นอ่าเป็นหญิงโรมจันทร์อยู่เลยนะแต่ว่าคนเขรู้ทั่วไปนะว่าเนี่ยเธอท้องมามีลูกสองคนแล้วนะปิดนะมันกดความทรงจำโซนนี้เอาไว้แล้วก็พยายามรับมือกับไอความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าด้วยการสร้างตัว ต, วตนใหม่ก็กลายเป็มีถึงสิบเจ็ดตัวตนนะนะเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ย นะมันก็ไม่น่าเชื่อนะว่าให้คนเหล่านี่จะมีตัวตนมากมายขนาดนี้ได้ไงแต่ในแง่นึ่มันก็บอกแล้วว่าตัวตนนี่ก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันไม่ได้มีจริงถ้ามีจริงก็ต้องมีอันเดียวเฉยนะแต่ทําไมมันต้องสิบเจ็ดนะแสดงว่ามันปรุงทั้งนั้นแหละถ้ามันปรุงได้แนบเหนียนมากจนเชื่อเลยนะว่าว่าฉันเป็นคารเรนบ้างฉันเป็นสตีเฟนบ้างฉันเป็นไบอันบ้างอานกิจล้านี่มันซับซ้อนมากเลยนะมันซับซ้อนจนกระทั่งเจ้าตัวเองก็